พระภิกษุชราทุดงไปเรื่อยๆคำไหนปากกลดที่นั่นแม้ท่านจะมาบวชเมื่อกเกษียณแล้วหลายปีแต่ว่าความเพียรในธรรมของท่านยังคงแจ่มจ้าและเลือกการทุดงเป็นหนทางแห่งการปฏิบัติทางจิตจนมาถึงปากช่องก็มีสา ม, มเณร น, น้อยที่มีความเลื่อมใสขอติดตามมาด้วยเมื่อรู้ว่าหลวงตาจะไปทุดงที่ภูกระดึง พระภิกษุชราได้ให้เนนน้อยไปเชิญพ่อกับแม่โยมทั้งสองเนี่ยมาพบเพื่อขออนุญาตว่าให้ไปด้วยหรือไม่เมื่อได้รับการอนุญาตแล้วจึงเข้าพบท่านเจ้าอาวาสแล้วก็แจ้งว่าสมณเนนน้อยจะขอติดตามไปทุดงที่ภูกระดึงท่านเจ้าอาวาสเป็นอดีตพระทุดงจึงสอบถามความสมัครใจของเนนหลังจากนั้นได้อนุญาตให้เดินทางไปด้วย จนไปถึงชัยภูมิก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสิทธิ์ให้โดยสารรถไปส่งถึงตีนภูกระดึงทั้งยังช่วยหาพรานนำทางขึ้นไปบนภูกระดึงการแบกกลดทุดงขึ้นภูสำหรับพระทุดงชรานับว่าเป็นความยากลำบากเป็นอย่างยิ่งต้องหยุดพักเป็นระยะจึงขึ้นไปถึงยอดภูบนนั้นก็มีที่พักของทหารอากาศ พวกเขาก็นิมนต์ให้ไปพักแต่ว่าพระภิกษุท่านก็ตอบปฏิเสธไปเพราะว่าต้องการความวิเวกมากกว่าจึงขอให้จัดหาที่พักให้สักแห่งหนึง่งนายทหารอากาศท่านหนึ่งได้นำไปยังศาลาพักคนเดินทางที่ร้างโดยส่งพลทหารไปทำความสะอาดล่วงหน้าเมื่อพระธุดงชาราไปถึงพร้อมกับสัมเนนจึงมองเห็นป้ายติดอยู่ที่จั่วว่าเป็นศาลาอุทิศให้กับผู้มีพระคุณพระภิกษุชาราพักอยู่ที่ศาลาพักหลังนั้น พร้อมกับสัมมนเนนที่ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็จัดหาผ้าห่มนวมมาให้เพื่อประทังความหนาวเพราะว่าอากาศที่บนภูกระดึงหน้าหนาวนั้นหนาวจนเสียดกระดูกพระอาทิตย์ลับโลกไปแล้วแต่ว่าทุกสิ่งตกอยู่ในความเงียบสงัดแล้วก็วังเวงนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าวิเวกค่ะอันที่สมเด็จพระบรมครูทรงกล่าวไว้ว่าสุโควิเวโกสุขใดเล่าจะเท่ากับความสุขจากความสงบสงดจากความวิเวก ในถ้มกลางความมืดนั้นเต็มไปด้วยอันตรายจากทั้งสัตว์ป่าและก็พูดผีปีศาจในครั้งพุทธกาลมีพระลุกขมูลเป็นจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากการถูกปีศาจหลอกล้อนขณนะทุดดงอยู่ในถ้าเถื่อนเป็นเรือนว่างมากราบทูลสมเด็จพระทศพลพุทธเจ้าให้ทรงหาทางช่วยเหลือ สมเด็จพระบรมครูจึงทรงเล็งพระยานก็พบว่าที่แสดงร่างหลอกหลอนหาใช่ปีศาจหรืออมนุษย์แต่ว่าเป็นรูปขะเทวาที่มีวิมานอยู่บนยอดไม้เมื่อมีพระธุดงมาปักกลดที่โคนไม้จึงพาบริวารลงมาที่พื้นดินกะว่าเพียงคืนหรือสองคืนก็พอทนแต่ว่าพระธุดงเนี่ยกลับปรากฏมารถนค่ะด้วยความรำคาญเลยแปลงร่างเป็นปีศาจหลอกหลอนเพื่อให้พระธุดงถอนกลดหนีเอาซะเลย จึงทรงบัญญัติกฎแห่งการทุดดวงขวัดเพิ่มเติมทั้งยังประทานกรณียเมตสูตรให้พระสาวกได้สาธยายให้เทวดาฟังจะได้ไม่มารบกวนหลอกหลอนอีกต่อไปค่ะคืนวันแรกอากาศหนาวจัดจนจำวัดไม่ค่อยจะหลับก็เลยต้องทำให้หลับๆั บ, บตื่นตื่นพระภิกษุชราลำดับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าประมาณตีสองกว่าต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่ามีเสียงดังขลุกคลุกมาจากปลายเท้าสิ่งหนึ่งค่อยๆกลิ้งมาช้าๆ หยุดที่ข้างใบหน้าของอาตมาที่นอนตะแคงข้างพอลืมตาขึ้นมาก็พบว่าเป็นศรีรษะของมนุษย์ขาดรุ่นที่มีแต่คอตอนที่ติดกับลำตัวเสยยยิ้มแล้วก็หัวเราะหึๆหแบบมาทักทายหากไม่แน่จริงอาจจะร้องเอะอะโวยวายวิ่งเป็นบ้ า, เ ป, บาเป็นบอไปแล้วแต่ว่าอาตมาได้แต่ร้องว่าอะไรกันเนี่ยมาล้อเล่นอะไรกันเนี่ยไม่รู้หรือว่ามันเป็นบาปนะนี่พระไม่ใช่ค า, ารวาที่จะมาหลอกหลอนกันนะ พอกล่าวจบค่ะคุณผู้ฟังผีหัวขาดก็หายวับไปพระธุดงชาาลุกขึ้นนั่งสมาธิจนสว่างจึงออกจากสมาธิพร้อมกับปลุกเนนขึ้นมาถือครองผ้า<ป>ตามที่ญาติโยมได้ะวรณาตนเป็นอุปถากไว้พอฉันเช้าเสร็จกำลังพักผ่อนนายทหารผู้นำพระธุดงศาลาพร้อมกับสอบถามค่ะว่าที่นี่มีอะไรกันหรือเมื่อคืนเขาจึงมาอาวาสรบกวนอันตมา แต่ไม่เป็นรายหรอกทุกอย่างปกตินายทหารผู้นั้นยกมือพนมไหวพระทุดงชราก่อนกระดาบเรียนให้ได้ทราบว่าก่อนหน้านี้ประมาณสองอาทิตย์เห็นจะได้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เดินลาดตะเวนมาถึงสารานี้ก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงจึงแวะเข้าไปตรวจสอบก็พบศพชายนิรนามนอนตายมาหลายวันแล้วศพกำลังขึ้นอืดจึงได้มาแจ้งกับทหารอากาศเจ้าของพื้นที่ทางทหารอากาศจึงได้แจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านมารับเรื่อง ผู้ใหญ่บ้านก็เลยมาดูสถานที่เกิดเหตุก่อนจะไปแจ้งความกับตำรวจเจ้าของพื้นที่พร้อมกับแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็พบว่าเป็นชายไทยไม่ทราบชื่อไม่เคยมีใครเห็นหน้ามาก่อนสภาพศพนอนงายไม่มีร่องรอยการต่อสู้เป็นการตายแบบปกติธรรมดาทั่วไป ซึ่งในกระเป๋าเดินทางที่พบวางไว้ในศาลาไม่พบว่ามีหลักฐานว่าเป็นใครก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นคนเร่ร่อนหรือไม่ก็เป็นผู้หลบหนีคดีขึ้นมาบนภูกระดึงก็อาจจะเห็นว่าศาลาว่างๆก็เลยมาอาศัยแต่ว่าเนื่องจากอากาศที่หนาวแล้วก็หนาวเย็นน่าจะมีโรคประจําตัวจึงถึงแก่ความตายทางกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ปรึกษากับชาวบ้านแล้วก็ทางตารวจเพื่อที่จะหาทางออกในที่สุด ก็เลยได้ข้อตกลงว่าจะไปหาไม้มาทําเป็นฟืนเผาศพชายนิรนามนี้ให้หมดปัญหาไปก็เลยถากถางที่ด้านหลังศาลาทาเป็นกองฟอนเผาศพชายนิรนามจากนั้นก็ช่วยกันทําความสะอาดศาลาจนสะอาดหมดกลิ่นเน่าเมื่อเห็นพระธุดงชร า, าขึ้นมาหาสถานที่พักระหว่างเดินทุดงจึงนํามาพักที่ศาลาหลังดังกล่าวโดยมิได้นมัสการบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า จนวิญญาณศพไรยาตมาสำแดงร่างให้ได้เห็นดังกล่าวพระธุดงชาราได้ทำวัดและก็แผ่เมตตาไปให้โดยตลอดนับแต่คืนนั้นเป็นต้นมาปีศาจร้ายก็มิได้มาสำแดงร่างให้พระภิกษุชาราได้พบเห็นอีกเลยวิญญาณที่ตายอย่างไรยาตขาดมิดตายในระหว่างที่คดึงถึงบุคคลอันเป็นที่รักของตนเองในขณะที่อ้างว้างว้าเววิญญาณก็ต้องทนทุกข์ทรมานสแสวงหาส่วนบุญส่วนกุศล แต่ว่าใครล่ะคะคุณผู้ฟังที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายที่มิใช่ญาติพี่น้องของตัวเองเมื่อพบ ก, กันกับพระภิกษุที่เข้ามาทุดงและเข้ามาพักที่สารา ด, ดังกล่าวนะคะก็พอที่จะขอส่วนบุญได้ก็เลยแสดงตัวเพื่อขอส่วนบุญแต่ว่าด้วยวิบากกรรมของตัวเองก็อาจจะทำให้ไม่สามารถแดงตัวแบบธรรมดาได้ก็เลยปรากฏร่างเพียงแค่ศีรษะที่ขาดด้วนจากตัวเท่านั้น หากว่าพระธุดงไม่มีสติแล้วอาจจะตกใจจนเสียจริตไปก็ได้ค่ะนั่นก็อาจจะทําให้เกิดวิบากกรรมมากขึ้นแต่ว่าพระภิกษุชราท่านมีสติและมีเมตตาจึงไม่โกรธเคืองแต่ว่าพระธุดงรูปนี้นะคะก็ได้แผ่เมตตาให้ติดต่อกันหลายวันด้วยกุศลกรรมที่ท่านได้อยู่ในพรหมจรรย์และก็ศีลอันบริสุทธิ์ค่ะจึงแผ่กุศลนั้นไปยังดวงวิญญาณนิรนามจนสามารถเปลี่ยนภพภูมิไปยังภพภูมิที่ไม่เร่ร่อนอีกต่อไป คุณผู้ฟังคะโลกมนุษย์กับโลกของวิญญาณ น, นั้นอยู่ใกล้ชิดติดกันค่ะมีแค่เพียงมิติกั้นไว้บางเบาแต่ว่าสามารถทำให้มนุษย์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยม่อาจจะมองทะลุมิติอันบางเบานั้นได้ยกเว้นผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนได้ปฐมฌานเป็นต้นก็สามารถที่จะใช้ตามองทะลุมิติโลกวิญญาณแล้วก็หากว่าได้ฌานที่สูงขึ้นไปอาจจะมองเห็นโลกวิญญาณด้วยตาเนื้อ แล้วก็พูดคุยกับวิญญาณได้เหมือนพูดคุยกับมนุษย์ทุกอย่างนะคะเรื่องทุกเรื่องที่พูดมาไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเพียงแต่ว่าผู้ที่ว่าเป็นเรื่องเหลวไหลาสามารถปฏิบัติได้หรือไม่แค่นั้นเองเอาแค่คณิกะสมาธิหรือว่าสมาธิลมโชยังทาไม่ได้สำมหาอะไรกับการยกจิตขึ้นสู่ปฐมฌาน ชาตินี้ทั้งชาติย่อมไม่อาจมองเห็นโลกวิญญาณได้เลยพระธุดงชาญายังได้โอกาสได้พบกันกันกบเจ้าแม่ผู้ปกปักรักษาภูกระดึงแล้วก็ได้สนทนากันกันกนกบเจ้าแม่ภูกระดึงถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นท่านได้บันทึกเอาไว้ในประวัติการเดินทุดงของท่านซึ่งโอกาสหน้าบีจะหามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ เรียบเรียงจากเรื่องของหลวงพ่อกัสปะมุนีแห่งวัดปิบผิวนารามจังหวัดระยองซึ่งปัจจุบันท่านก็มรณภาพไปแล้วค่ะเหตุการณ์สยองขวัญสันประสาทอันเกิดขึ้นภายในห้องพักบนคอนโดมิเนียมอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราและก็ท่านเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยครั้ง โดยเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นที่คอนโดมิเนียมเช่นเดียวกันแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เคยตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อครั้งเกิดเหตุฆาตกรรมส ย, สยองบนห้องพักชั้น4ของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนคร่าวๆนะคะว่าคอนโดมิเนียมนี้เนี่ยตั้งอยู่ในซอยรามคําแหง24 ซึ่งเมื่อราวๆ 4-5 ปีก่อนได้เกิดคดีฆ่าหั่นศพขึ้นโดยที่ผู้ตายในครั้งนั้นเป็นหนุ่มเกย์ที่ถูกหนุ่มคู่ขาฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็หั่นศพออกเป็นชิ้นๆ น, นำไปทิ้งอย่างสถานที่หลายแห่งค่ะคดีฆาตกรรมสยองขวัญได้ปิดไปเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำตรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเพื่อที่จะมาดาเนินคดีตามกฎหมายได้ในที่สุดพร้อมกับคารับสารภาพอย่างสิ้นไส ถึงแม้ว่าคดีได้จบลงไปแล้วแต่ว่าเรื่องราวของความสะพรึงอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ยังไม่จบสิ้นค่ะจวบจนปัจจุบันห้องพักทุกห้องบนชั้นสีของคอนโดแห่งนี้ก็ยังร้างผู้อาศายัยเนื่องจากไม่มีใครสามารถอยู่ได้เพราะว่าวิญญาณของชายหนุ่มคนนี้ยังคงวนเวียนแสดงความเฮี้ยนอย่างไม่ยอมลดละและก็มีผู้คนเคยพบดวงวิญญาณพยาบาทดวงนี้อยู่เสมอ คุณปลาเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยประสบกับวิ ญ, ญญาณอาฆาตของชายหนุ่มซึ่งยังไม่ยอมไปไหนทั้งสิน้นและก็วิ ญ, ญญาณพยาบาทดวงนี้ค่ะเคยได้ประกาศให้ใครต่อใครหลายคนรู้ว่าเขาจะยังคงไม่ไปไหนจนกว่าจะได้พบกับแฟนหนุ่มของเขาผู้ที่เป็นคนลงมือสังหารจนเขาตายคามือนั่นเองเขาจะเฝ้ารอจนกว่าแฟนหนุ่มผู้นี้จะกลับมาหาเขาที่ห้องพักบนชั้นสี่อันเป็นสถานที่จบชีวิตของเขานั่นเองนะคะ ผู้คนที่เคยพักอาศัยอยู่บนชั้น4ของคอนโดแห่งนี้ต่างก็ต้องพากันย้ายออกไปจนหมดสิน้นเพราะว่าไม่มีใครสามารถทนต่อความน่าสะพรึงกลัวจากการหลอกหลอนของวิญญาณเฮี้ยนดวงนี้หลายคนค่ะเห็นเขาเดินวนเวียนไปมาอยู่บนชั้น4ตลอดทั้งชั้นพร้อมกับส่งเสียงร้องไห้แสดงถึงความเจ็บปวดทรมานและโศกเศร้าเสียใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเขา หลายคนเคยได้ยินเสียงทะเลวิวาท ด, ดังลั่นมาจากห้องพักที่เกิดเหตุซึ่งถูกปิดตายหลังจากเกิดเหตุการสยองขวัญเกี่ยวกับการฆาตกรรมหันศพในครั้งนั้นดังลั่นไปหมดทั้งเสียงวิวาท ด, ดาทอทั้งเสียงของการคว่างปลาข้าวของโครมครามในตอนกลางดึกทั้งที่ไม่มีใครอยู่ภายในห้องนั้นอย่างแน่นอน และหลายๆคนที่เคยพบกับเสียงเคาะประตูห้องกลางดึกแต่พอเดินไปเปิดประตูห้องนะคะกลับพบแต่ความว่างเปล่าค่ะปราศจากร่องรอยของผู้คนตลอดทางเดินอันยาวเหยียดด้านหน้าห้องโดยคุณปลาบอกกับเรานะคะว่าแกเคยเห็นเหตุการณ์แปลกๆเหล่านี้หลายครั้งจากที่ชายหนุ่มคนนั้นได้จบชีวิตไปจนกระทั่งวันหนึ่งแกก็เกิดความราคาญต่อการถูกรบกวนกลางดึกกลางดื่นถึงขนาดโมโหร้องตะโกน ล, ลั่นไปค่ะบอกว่า มึงตายหาไปแล้วยังเสือกไม่ยอมไปไหนมารบกวนคนอื่นให้เขารำคาญอยู่ได้อเวนได้ผลทันตาค่ะคุณปลาบอกว่าหลังจากที่แกด่าออกไปวันนั้นตกดึกประมาณตีหนึ่งค่ะอยู่ๆโคมไฟที่ระเบียงหลังบ้านก็แตกดังเพลงตอนนั้นแกไม่ได้คิดว่าจะโดนดีจนกระทั่งแกเกิดปวดท้องเบาขึ้นมาจึงลุกเดินไปที่ห้องน้าปิดประตูเปิดไฟพอไฟสว่างพรึบ คุณปลาร้องลั่นราวกับคนเสียสตินะคะเพราะว่าตรงชักโคกที่อยู่ห่างจากจุดที่แกยืนอยู่ไม่ถึง29ก้าวนั้นปรากฏว่ามีร่างของผู้ชายอาบเลือดนั่งอยู่จ้องมองเขมงมาที่คุณปลาด้วยสายตาที่สอ่อแสดงอาการโกรธเกรียร้ยรุนแรงค่ะพร้อมกับชี้หน้าคุณปลาบอกว่ามึงระวังปากเอาไว้บ้างนะไม่งั้นจะเจอดี คุณปลาบอกว่าได้แต่แหกปากตะโกนร้องลั่นหาคก่อนจะเผ่นออกจากห้องน้ำแทบไม่ทันวันรุ่งขึ้นก็หอบลูกจูงสามีออกไปหาที่อยู่ใหม่เพราะว่าขืนอยู่ต่อไปมีหวังถูกเล่นงานอีกแน่นอนคุณปลาบอกว่าวิญญาณพยาบาทของชายหนุ่มที่ถูกคู่ขาฆ่าหันศพ บ, บนคอนโดแห่งนั้นมันเฮี้ยนเหลือประมาณโดยทุกวันนี้ก็ยังมีผู้พบเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะแม้ว่าเหตุการณ์ฆาตกรรมได้เกิดขึ้นมานานแล้วประมาณ 45- หปีแล้วก็ตาม บางครั้งค่ะเขาก็จะไปเข้าฝันบอกกับใครต่อใครหลายคนที่ได้พบเห็นเขาบอกว่าจะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นเขาจะเฝ้ารออยู่ที่นี่จนกว่าแฟนหนุ่มของเขาจะกลับมาหาเขาที่คอนโดมิเนียมแห่งนั้นในวันหนึ่งค่ะซึ่งเมื่อถึงวันนั้นเข้าจริงๆก็อาจจะได้ยินข่าวคราวการตายเกิดขึ้นอีกก็ได้ภายในห้องพักบนชั้นสีของคอนโดมิเนียมดังกล่าวนี้นะคะ เพราะว่าดวงวิญญาณของชายหนุ่มที่ยังคงผูกใจเจ็บแค้นพยาบาทต่อแฟนหนุ่มของเขาอยู่ตลอดเวลาจนกว่าเขาจะสามารถแก้แค้นได้สำเร็จค่ะสำหรับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะได้รับคำบอกเล่ามาจากคุณปัทมาเจิดแสงซึ่งเป็นข้าราชการครูและก็เป็นคนที่ประสบนะคะกับเหตุการณ์ชวนอัศจรรย์ใจ ก็คือคุณครูปัตมาท่านนี้นับว่าเป็นคนที่น่าสนใจไม่น้อยค่ะเนื่องจากว่าเหตุการณ์อันเกี่ยวเนื่องกับความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธไสายาสน์แห่งวัดสตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธไสายาสน์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างโดยเจ้าคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมมะรังสีคุณครูปัตมาได้เล่านะคะว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2543ท่านเองได้ประสบกับปัญหาทางด้านสุขภาพบางอย่าง กล่าวก็คือมีอาการปวดอย่างรุนแรงบริเวณสีข้างด้านซ้ายรักษาแพทย์แผนปัจจุบันหมดเงินหมดทองเป็นจานวนมากแต่ก็ไม่ทุเลาเบาบางลงแพทย์ก็ลงความเห็นค่ะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทการรักษาให้หายขาดมีทางเดียวเท่านั้นคือต้องทำการผ่าตัดทำให้ครูปัทมาเนี่ยรู้สึกกลัวแล้วก็กังวลใจค่ะ เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ท่านเองก็เคยไปตรวจดวงชะตากับอาจารย์โหราศาสตร์ท่านนึงแล้วก็ได้รับคําทํานายทายทัดออกมาว่าจะต้องล้มเจ็บล้มป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าการรักษาก็จะไม่หายแล้วก็อาจทําให้ถึงขั้นต้องพิการแม้ว่าจะได้รับการผ่าตัดก็ตามซึ่งตอนแรกคุณครูปัตมาเนี่ยไม่เชื่อคําทํานายนั้นจนกระทั่งวันต่อมาท่านก็เริ่มมีอาการปวดที่บริเวณเอวแล้วก็สีข้าง โดยเริ่มต้นจากการปวดเพียงเบาๆนะคะแต่ว่าอาการก็ได้รุนแรงขึ้นตามลำดับจนถึงขั้นแทบจะลุกเดินไม่ไหวต้องไปให้หมอตรวจค่ะจึงทราบว่าอาการป่วยของตัวเองที่เป็นอยู่นั้นอาจทำให้ชีวิตถึงขั้นวิกฤตในที่สุดดังกล่าวพวกเพื่อนครูด้วยกันเมื่อทราบเรื่องต่างก็พยายามปลอบใจคุณครูปัทมาแล้วค่ะว่าวงการแพทย์สมัยปัจจุบันนี้มีความทันสมัยมากอย่าไปเชื่อเรื่องหมอดูให้มากนะัก แต่ว่าคำพูดของเพื่อนๆก็ไม่อาจจะทำให้ครูปัทมาเปลี่ยนใจได้ท่านก็เลยขอเลือกการนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านดีกว่าต้องเข้าไปนอนในโรงพยาบาลเพราะว่าอย่างไรก็คิดว่าคงไม่หาย อาการของครูปัทมาก็มีแต่โรมกับสุดนะคะท่านก็เลยตั้งใจว่าจะหันมาศึกษาในคำสอนของพระพุทธองค์โดยเริ่มต้นท่องคาถาชินบัญชรแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมมีการรักษาศีลห้ายอย่างเคร่งครัดไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะว่าถือว่าเป็นการเบียดเบียนสัตว์โลกด้วยกันค่ะเป็นที่น่าประหลาดใจว่าหลังจากที่คุณครูปฏิบัติตนเช่นนี้ไม่นานอาการเจ็บป่วยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งคืนหนึ่งท่านก็ได้ฝันไปเนี่ยค่ะว่าได้ไปไหว้พระนอนซึ่งมีขนาดใหญ่มากแต่ว่าไม่รู้ว่าพระนอนองค์นั้นอยู่ที่ไหนโดยในความฝันคุณครูปัทมรมมากราบพระนอนเสร็จก็ได้ยินเสียงท่านบอกว่าโยมกำลังจะพ้นทุกข์แล้วนะบรรดาเจ้ากรรมนายเวรเขาเห็นว่าโยมทำดีก็เลยเอโหสิกรรมให้เพียงแต่โยมทาบุญอุทิศกุศลส่งไปให้พวกเขาบ้างทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นจากนั้นครูปัทรก็ตกใจตื่นคะ่ะ นับตั้งแต่นั้นมาท่านก็นึกทบทวนถึงความฝันอันประหลาดล้ํานั้นอยู่เสมอแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าพระนอนองค์นั้นอยู่ที่ไหนก็พยายามสอบถามเพื่อนฝูงดูก็ไม่มีใครรู้จักจนกระทั่งวันหนึ่งญาติของครูปัทมาได้มาเยี่ยมที่บ้านหลังจากที่ไม่ได้พบกันนานญาติของท่านคนนี้รับราชการอยู่ที่จังหวัดอยุธยาค่ะเมื่อมีโอกาสได้พบแล้วก็พูดคุยกันคุณครูปัทมาจึงถามเขาว่าแถวบ้านมีพระนอนองค์โตๆบ้างหรือเปล่า เป็นพระนอนกลางแจ้งเขาก็บอกว่ามีอยู่องค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อโตอยู่ที่วัดสตือศักดิ์สิทธิ์มากพอได้ยินเช่นนั้นคุณครูปัทมา ก, ก็รู้สึกเย็นว่าไปทั่วตัวเลยค่ะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าโอ้ใช่แน่แล้วพระองค์นี้นี่แหละที่ท่านเห็นในความฝันก็เลยได้ขอร้องให้ญาติเนี่ยพาเดินทางไปยังวัดสตือค่ะที่อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทันทีนะคะ คุณครูปัตมาเล่าให้ฟังต่อไปเขาว่าขณะที่ท่านเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนั้นก็เกิดความรู้สึกว่ายิ่งเข้าใกล้วัดสตือเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นมากเท่านั้นจนกระทั่งรถได้ขับเข้ามาภายในวัดแล้วก็ได้พบกับภาพพระนอนขนาดใหญ่ที่ปรากฏตรงเบื้องหน้าก็ทาให้ท่านถึงกับขนลุกเกลียวกันเลยทีเดียว ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระพุทธไสยญาตที่ท่านได้เห็นอยู่ในเวลานั้นมีลักษณะเหมือนกับที่ท่านเห็นในความฝันทุกประการจึงนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องกล่าวว่าเหลือเชื่อมากไม่น่าเป็นไปได้เลยแต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วคุณครูปัตมาจึงรีบลงจากรถเพื่อไปนมัสการหลวงพ่อโตด้วยความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง พอกราบท่านเสร็จก็รู้สึกว่าอาการปวดที่บริเวณเอวแล้วก็สีข้างก็ค่อยๆทุเลาลงซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากเลยนะคะคุณครูปัตมาได้ขออนุญาตญาติของท่านพักอาศัยอยู่ด้วยเป็นเวลา7วันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยทุกๆวันท่านจะต้องนำดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาหลวงพ่อโตไม่เคยขาดซึ่งอาการปวดเรื้อรังก็ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อจนหายเป็นปกติในที่สุดค่ะ หลังจากรู้สึกว่าตัวเองหายเป็นปกติแล้วประมาณ3เดือนคุณครูปัตมาจึงได้กลับไปให้หมอตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งซึ่งหมอคนที่ตรวจที่เป็นเจ้าของไข่เนี่ยก็ยั ง, งงงงอยู่นะคะบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเมื่อเอ็กซเรย์ดูก็ปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติใดๆอีกแล้วนี่ก็คือประสบการณ์ของครูปัตมาเจิดแสงซึ่งได้เล่าให้เราฟังเมื่อไม่นานมานี้นะคะใครจะเชื่อบ้างว่าอานาจของพุทธคุณ จะสามารถรักษาโรครายให้หายได้สำหรับปฐมตํานานการสร้างพระพุทธสยญาติได้กล่าวเอาไว้เขาว่าพระพุทธสายญาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีอยู่สององค์ด้วยกันก็คือพระพุทธสยญาติกลางแจ้งที่วัดสตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็พระพุทธสยญาติวัดพระนอนจกักรสีจังหวัดสิงห์บุรีแต่ที่จะขอกล่าวในที่นี้คือพระพุทธสยญาติกลางแจ้ง พระพุทธสายญาตกลังแจ้งที่มีขนาดยาวที่สุดประดิษฐานอยู่ที่วัดสตืออำเภอทา่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยท่านาสร้างโดยท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพรห ม, มารังสีอดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโคศิตารามกรุงเทพมหานาครแล้วก็เคยมีท่านผู้รู้เขียนเป็นตำราวไว้นานแล้วนะคะบอกว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรห ม, มารังสีเนี่ย ท่านก็ชอบสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่โตเนื่องจากท่านมีนามเดิมชื่อว่าโตนั่นเองค่ะและในเมื่อกล่าวถึงสมเด็จพุทธจารย์โตพรห ม, มารังสีบีเองก็จะข อ, อกล่าวถึงประวัติโดยสังเกตของท่านสักเล็กน้อยดังนี้นะคะท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรห ม, มารังสีถือกําเนิดในแผ่นดินรัชการที่1ตําบลไก่โจน้นหรือว่าตําบลท่าหลวงอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพฤหัสบดีเดือน5ขึ้น12ค่ำปีวอกซึ่งตรงกับวันที่17เมษายนพุทธศักราช2331สมาิสำริศกหนอยห้ายมมันดาชื่อคุณแม่งดโยมตาชื่อคุณตาผลแล้วก็ยมยายชื่อคุณยายลานะคะ ต่อมาโยมมันดาได้ย้ายถิ่นฐานจากบ้านโยมยายที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองมาอยู่ที่ตำบลบางขุนพรหมกรุงเทพมหานครท่านจึงได้มอบตัวให้เป็นสิทธิ์ของท่านเจ้าคุณอารันยิกหรือว่าท่านเจ้าคุณแก้วเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารบางขุนพรหมเพื่อเล่าเรียนอักขระค่ะแล้วก็เมื่อตอนที่ท่านอายุ12ปีก็ได้บรรพชาเป็นสั ม, มเนนที่วัดอินทระวิหารครั้นอายุครบ21ปีในปีพุทธศักราช2350 รัชกาลที่1ได้ทรงโปรดเกล้าให้อุปสมบทเป็นนาคหลวงณอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามโดยมีสมเด็จพระสังฆราชยาณสังวรสุขเป็นพระอุปชาโดยให้ฉายาว่าพรหมมรังสีแล้วก็ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิตติพระเทพกวีและสมเด็จพระพุทธจารย์โตตามลำดับค่ะเจ้าประคุณสมเด็จถึงแก่มรณภาพในแผ่นดินรัชกาลที่5เมื่อวันเสาร์เดือน8แรมสองค่าปีวอก จัตวาศกจุลศักราษ 1,234 ซึ่งตรงกับวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช 2,415 เวลาเที่ยงคืนบนศาลาใหญ่วัดบางขุนโรมในหรือว่าวัดอินทรวิหารซึ่งก็ศสิริรวมอายุได้84ปีพรรษาที่64นะคะ ในปีพุทธศักราช2413ก่อนมรณภาพ3ปีเจ้าประคุณสมเด็จได้มาทำการก่อสร้างพระพุทธรูปก่ออิดถือปูนป่างพุทธสยญาติริมแม่น้ำป่าสะนะักณบ้านที่ถือกำเนิดซึ่งปัจจุบันก็คือวัดสตือตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความยาว25วากว้าง4วาสูง8วาแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมสีครั้ง กล่าวก็คือครั้งที่หนึ่งเมื่อพุทธศักราช2465โดยหลวงพ่ออุปชาบด์จันทะโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดสตือร่วมกับชาวบ้านค่ะครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2499โดยจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้เดินทางมานมัสการหลวงพ่อโตแล้วก็เห็นว่าองค์หลวงพ่อชำรุดสุดโสมมากจึงได้ทาการมูรณะอยู่3เดือน25วันจึงแล้วเสร็จ ครั้งที่สค่ะเมื่อพุทธศักราช 2,531 โดยพระครูพุทธสัยยาพิบาลหรือว่าพระครูหมึกอดีตเจ้าอาวาสได้ร่วมกันกับชาวบ้านทําการบูรณะอยู่3เดือน25วันจึงแล้วเสร็จนะคะครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช 2,540 ค่ะโดยพระอธิการทองคําคาพีปัญญาเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้ร่วมกันกับชาวบ้านทาการบูรณะแล้วก็ทาสีใหม่ ทางวัดสตือก็ได้มีการจัดให้มีงานเทศกาลประจำปีเพื่อปิดทององหลวงพ่อโตเป็นประจำทุกๆปีปีละ2ครั้งคือกลางเดือน5แล้วก็กลางเดือน12พระพุทธสยญาติหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็มีอายุการสร้างที่ยาวนานค่ะที่มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมานมัสการกราบไหว้แล้วก็มีการขอพรพร้อมกับการขอโชคลาภต่างๆซึ่งก็ มักจะประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งใจขอไว้นะคะด้วยเหตุนี้นี่เองก็เลยทําให้ชาวบ้านต่างก็มีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าหลวงพ่อเนี่ยจะช่วยดลบันดาลอภิบาลรักษาให้ท่านที่เดินทางมานมัส ก, การมีความอยู่เย็ยนเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความเป็นสุริมงคลแก่ตัวและครอบครัวต่อไปค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องเล่าประจําวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ คลิปต่างๆในช่องพระเจอผีของเราด้วยนะคะที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนั่นก็คือการกดติดตามช่องของเรานะคะแล้วก็ถ้าว่ามีโฆษณาขึ้นมายังไงบีเองก็ต้องขออนุญาตรบกวนนะคะให้ดูโฆษณาจนจบหรือว่าอาจจะช่วยคลิกโฆษณากันคนละ1นคลิก2คลิกจะถือว่าท่านมีความเมตตาต่อช่องพระเจอผีช่องน้อยๆช่องนี้แล้วกลับมาเจอกันในโอกาสต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ